เดี๋ยนี้เครื่องทุนแรงเยอะแต่ก่อนฟังธรรมจากครูบาอาจารย์นะต้องพยายามจำเอาแล้วไปตั้งใจจําก็ไม่ได้นะเหมอไม่ตั้งใจจําหาว่าไม่ตั้งใจฟังธรรมโจทย์ก็ไม่ได้นะมีแต่คําว่าไม่ได้เยอะมากเลยเวลาเรียนอยู่ครูบาอาจารย์ไม่ให้เรียนด้วยใจเรียนด้วยใจ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 ส่วนมากท่านทำมาแค่31กสิบเัปเท่านั้นสามสิบัปมันก็คือเวลาที่จักรวาลเกิดแล้วดับจักรวาลคือระบบของสุริยะจักรวาลเนี่ยนะไม่ใช่จักรวาลทั้งหมดนะเกิดแล้วดับนะก็ไม่นานนะถ้ า, า, า, าเราไปภาวนาแล้วไปหลุดเป็นพรหมนะมนเห็นจักรวาลเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยแป๊บเดียว่ากเ้ไปตั้งหลาย10อันลนะถ้าเกิดเป็น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 เวลาคนตายเนะี่ยเขาจะผูกมัดตาสั่งแล้วเขาจะมัดสข้อมัดคอนะมัดคอไว้ันมัดมือแล้วก็มัดเท้ามัดคอบอกมีลูกมีลูกนะเหมือนเราเชือกผูกคอไว้ทำไมผูกคอรัดแน่นๆกินไม่ลงนะอย่างพ่อแม่คนไหนจนหน่อยๆนะไม่มีเงินมากเจอของอร่อยๆกินไม่ลงนะ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 มันไม่อิสระนีความสุขของโลกเห็นไหมมีลูกนะเราทุกเพราะลูกเห็นไหมมีสามีมีพัญญาเราก็ไม่อิสระมีอิสระจะทาอะไรเคยอิสระมันก็ไม่อิสระแนละ้มันไม่คล่องตัวมีสมบัตนะิเหมือนเราพอผูกศอกเหมือนเราปลอกติดขาเนี่ยปลอกติดขาไว้คือไปไหนไม่ได้มีสมบัติเราต้องนั่งเฝ้าสมบัตินะ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 เขาที่แล้วหลวงพ่อสอนว่าอย่ารีบหมายคำว่าให้ดูความอยากใช่ไหมเจ้าคะ่ะอย่าอะไรนะอย่ารีบอย่ารีบปฏิบัติเจ้าคะ่ะใช่ใช่อย่าลุกรียกลุกหลน่นใจเย็นๆค่อยดูกายคอยดูใจใจเย็นๆนะอดทนเดินไป ร, รีบร้อนยิ่งช้าคือให้ดูที่ความอยากของตัวเองใช่ใชไหมเจ้าค่ะให้รู้ทันอะไรมันผลักดันจิตใจของเราให้ลุกเรีกลุกหลนให้รู้ทันมันไปอย่าให้มันครอบงําจิตใจ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 แต่มันลองพุโทโธไม่ประสาดเราพุโทโธพุโทโธไปจนใจของเรากับพุโทโธไปนัันเดียวกันเราพุโทโธของมันเองนะพอพุโทโธพุโทโธไปใจของเราขยับเยื่นเคลื่อนไหวเราครรู้ทันเอาแล้วงไงเ ร, เรื่องความเพียรเ น, นะะี่ยค่ะในการระลึกอยู่บ้านปกติจะขี้เกียจ น, นะคะถ้ามาวัดก็จะขยันก็ <laughs> มาวัดบ่อยๆนะคำว่าขี้เกียจนนะ้เป็นคำที่แสลงใจหลวงพ่อที่สุดเลย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 นั่งแล้วฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านดูใจนั่นเองจะนั่งสมาธิก็ดูใจจะพุทโธก็ดูใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คอยดูใจไปเรื่อยๆใจของเราเนั่นแหละพุทโธตัวจริงมีอะไรต้องแก้ไขอีกไหมคะถามให้น้อยๆล้วดูให้เยอะๆกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับน่อนข้างหลังใครยกมือเห็นแวบๆเมื่อกี้นี้ส่งไปกราบน้นมสกาหลงพ่อครับ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 มันเผิดมันติดนิ่งติดแช่แล้วมับางทีติดสุกครับหลวงอ mm hmm. สัมผัสคือผมขอบอกคือผมมองไม่เห็นใช่ไหมครับ mm hmm. สัมผัสที่ผมเหลืออยู่ก็คือเหลือแค่สัมผัสทางกายทางหูทางลิ้นทางจมูกผมจะเดินทางหรือทำงานต้องอาศัยสัมผัสที่เหลืออยู่ mm hmm. เมื่อสัมผัสอย่างกายผมเนี่ยบางทีถ้าผมไม่เพ่งนะผมก็จะไม่รู้ผมมีตัวอยู่นะครับแต่ถ้าผมเพง่งก็กลายเป็นติดเพง่งอย่างเงี้ยหลวงพ่อจะทายังไงดีครับ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 ใครรู้สึกมันไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างงานคือทผมทําเป็นงานที่ต้องเพ่งนะครับหลวงพ่อบางทีเพ่งไปเราทําไปบางทีมันนิ่งไปเฉยอย่างเงี้ยครับมันขาดมันขาดสติหรือเปล่าแต่เราก็รู้ตอนที่เราไม่ไม่ใช่ขาดสติเวลาทํางานนะสติไปจดจ่ออยู่กับงานนะสติจดจ่ออยู่กับงานจําเป็นในเวลาทํางานแต่เวลาที่เหลือเนี่ยถ้าจิตใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ทันเช่นเราทํางานอยู่แล้วเราก็เกิดนิ่งไปเลยนะ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 ก็ถูกแล้วนี่นรู้แล้วมันเห็นมันไหลไปเห็นไหมไม่ใช่เราไหล s> <S ก็เห็นแต่สภาวะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ผิดใช่ไหมคะเออไม่ผิดเห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นแต่ถ้าเห็นแล้วหลงยินดียินร้ายและผิดอย่างตอนเนี้ยสงสัยรู้สึกไหมเน่ย <_ s> มันถูกหรือมันผิดว่าเนี่ยลืมดูว่าสงสัยไง <_ s> สภาวะทั้งหลายเป็นสิ่งมายั่วเป็นสิ่งมาเร้าเท่านั้นเอง จิตใจขอเราเกิดอะไรขึ้นหลังจากรู้สภาว ะ, ะให้รู้ทันใจของตัวเอง<ม>นะคุณแต้มนีไปคิดแล้วคุณแตม้มนะคุณตรงเลยเพ่งปึกก็เลยนะทให้ยกมือต่อยกมื อ, อคนนี้ยกไวกว่าแล้วคนนั้นถัดไปอยากจะถามหลวงพ่อเขาว่าคำว่าจิตรวมนี่เป็นอย่างไรคะ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 การที่รู้ตัวจิตที่หนีไปเนี่ยรู้อารมณ์ปรมตัตดคําว่าพุทโธเป็นบัญญัติเป็นแค่เหยื่อล่อเท่านะเป็นอุบายอุบายสําหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนต้องทําบางคนรู้ลมหายใจถามว่ารู้ไปทํำไรอะ่ะส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งลมหายใจก็เป็นสมถะเหมือนกันแหละไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ปรมัดนะรู้ลมหายใจก็ไปรู้แบบไปเพ่ง รู้อารมณ์ปรมัตัยแบบเป็นวิปัสสนาไม่ใช่แค่มีสติรู้อารมณ์ปรมาทัย ต, ต้องมีปัญญารู้ลักษณะด้วยงั้นพวกเราพูดตรงๆนะเกือบทั้งหมดอะติดสมถะกระทั่งคนที่บอกว่าจะรู้รูปนามคนที่บอกจะรู้รูปนามจะทำํำวิปัสสนาเกือบทั้งหมดนะเพ่งรูปเพ่งนามคือสมถะอย่านึกว่ารู้รูปนามแล้วจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไป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 คือมันจะเครียดมากเพราะว่าที่ทํางานมัน h ฮเทคโนโลยีเอาอีกล้วูดที่ทำงานอีกล้เพราะชีวิตมีแค่สอย่างไม่ทียทำงานกับที่บ้าเออย่างดีไม่มีที่เที่ยวเยอะแยะดีเสร็จแล้วก็พอมันมีปัญหามากๆมาสเตรสเรามากๆเนี่ยมันวาบเข้าไปแล้วทําให้ใจมันนั่นมากเลยค่ะแล้วก็เออปุ๊บหนึ่งก็มันคือมันไม่หลงหน้ามันปุ๊บขึ้นมาว่าโอยถ้าเราตายไปก่อนยังใส่ปัญหาก็ยังอยู่แหละก็เลยเหมือนกับว่าไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่า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 ลายกันหมดเลยนะอย่าว่าแต่เราเลยสักวันหนึ่งอ่ะเราก็คืออะไรมันก็กลายเป็นมรณะสติไปหมดมองไอ้นี่ก็เป็นไอ้นี่มองมันกลายเป็นนเนี่ยจิตมันไปค้างอยู่ในสมถะนะถ้ามันขึ้นวิปัสสนามันจะไม่ได้เห็นเป็นศพเป็นอะไรมันจะเห็นก้อนธาตุเห็นธาตุไม่มีโสกปรกด้วยนะโสกปรกปฏิกูลอะไรเนียไม่ใช่สภาวะ จะเห็นแต่ว่าเออเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่มีคนมีสัตว์ แ, ตแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นก้อนธาตุเหมือนกันแต่ในหนังมันก็ไม่สกรปรกนะคะมันก็มันก็แต่พันทิประวังนะอย่าให้ใจไปติดค้า ง, างในความนิ่งๆอยูนะ่ปล่อยออกมาให้หมดมันยังไม่หมดแล้วทำไงถึงหมดคะฮะพูดยากยากนะตัวนี้แก้ยากที่สุดเลย <laughs> ใจมันไปติดสมาธิ มันจะนิ่งๆ น, นะรู้สึกไหมมันมีนิ่งยืนพื้นอยู่ตัวคือถ้ามันฟุ้งมันก็กลายเป็นกระจายเอ่ทีนี้ท่า น, นสอ น, นว่าสัางเกตไหมตอนที่มันฟุ้งเนี่ยแล้วเรารู้ว่าฟุ้งนะอย่าไปดึงคืนมาอย่าไปดึงกลับมาเดี๋ยวนี้จะเริ่มเห็นจิตที่ผ่านไปมากขึ้นคือมองอีมันกระดับเกิดปุ๊บอีด่าอีกแล้วเกิดปุ๊บแต่ว่าท่านสอนว่าเวลาที่จิตฟุ้งเนี่ยให้ให้ให้ให พอปุ๊บเนี่ยมันหยุดเลยอมันหยุดเสร็จปุ๊บมันก็เห็นละวอะจิตมันมวัดไปล ะ, ะมันเหมือนเราขับรถยนต์อะรถวิ่งเร็วไปนะเราแตะเบรกแต่พันธุ์ที่แตะแรงไปรถหยุดกึกเลยแล้วจะแตะยังไงอะคะแต่เบาๆน่อยคือเนี่ยสังเกตไหมตอนที่ใจเราฟุ้งไปอ่ะพอเรารู้ปุ๊บมันเหมือนเราไปดึงอตรงเนี้ยไม่ดึงเปลี่ยนใหม่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 เราไปออกแรงดึงไว้เหมือนเราไปเหยียบเรบรกเหยียบปึกเลยเหมืนกับตั้งม้าเร็วเกินไปเร็วไปมากไปตั้งสร้างให้มันชะลอลงเท่านั้นแหละไม่ใช่หยุดฝึกหยุดกึกเลยไม่ได้หรอกนะหยุดแรงไปอย่างนั้นมันก็ไม่สบายอย่างเงี้ยสิคะท่านอะไรนะ จ, นจิตมันก็ไม่สบายอย่างเงี้ยเราไม่ได้เอาสบาย อ, อ้อาวใครจะยกมือต่อไปอ่ะคนนี้คน น, ค น, นี้ทางนี้ยกก่อนแล้วคนนี้ตอบมา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 ลืมตัวบ่อยแล้วก็เผลอนานคะเออเผลอนานไม่ดีนะความจริงถ้าลืมตัวบ่อยมันจะไม่เผลอนาน่ะเพราะว่ามันบ่อยนะมันก็แวบมันก็รู้สึกแวบก็รู้สึกอ่าก็จะทํายังไงให้มันแวบแล้วรู้สึกก็ยังทำมันมันไม่ค่อยได้มันทำไม่ได้นะคถ้าทําได้มันจะเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาเราค่อยๆหัดรู้หัดดูของเราได้่ๆเดี๋ยวมันฉี่ขึ้นเองถ้าจิตมันจําสภาวะได้แล้วมันจะรู้ได้ไวขึ้นใไวขึ้น ขอบพระคุณมากค่ ะ, ะว่าไปคืออยากจะถามว่าเออในการที่เราจะดูจิตเนี่ยค่ะคือจําเป็นไหมที่เราจะต้องเออเออเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะให้ไปถึงทางแห่งการพ้นทุกข์อะค่ะเราเป็นคารวาสนะค่ะอืมไม่จําเป็นหรอกแต่อย่ามัา่วสั่วเท่านั่นแหละนะเออมีศีลห้าแค่นั้นพอละไปได้ละแค่มีศีลห้า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 แค่รู้ว่าหนีไปคิดก็พอแล้สงสัยแล้วทราบไหมเ<ฮ>นี่ยมันงงขึ้นมารู้ไหมงงก็รู้ว่างงอแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมงงอีกแล้วทราบไหม<ฮ>นหไเนี่ยหัดดูไปอย่างเงี้ยนะอ่ะส่งไปคุณแต้ ม, ตมหลวงพ่อคะอมอย่างที่พวกเราส่วนใหญ่ปฏิบัติกันนี่ก็ยังไม่เรี้ยวขึ้นวิวปัสนาญาณใช่ไหมคะ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 นี่เราเติมน้ำดีไปสติ๊บเติมน้ำเน่า อ, อ, กอีก10ปิ๊บอะไรเงี้ย <c oughs> คือทุกครั้งที่เราขาดสติเราก็เติมความเห็นผิดลงไปทุกคราวที่มีสติมีปัญญาขึ้นมาเราก็เติมความเห็นถูกลงไปงั้นเราไม่ได้ทำข้างเดียวเราทำา2ด้านส่วนในความเห็นผิดเก่าก็สะสมมาเนิ่นนานแล้วสุดท้ายนะมันทุบตุ่มน้ำจริงนะแปล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 ขอไม่ได้นะอย่างสมมุติว่าเดินเดินไปผู้ร้ายมาปล้นเอาสบองจีวรไปหมดเลยกลายเป็นชีเปลนะือยอันเนี้ยท่านให้ขอได้ขอผ้าได้แต่ได้ชิ้นเดียวเองนะท่านเข้มงวดกวดขันนะพระขี้ขอไม่ได้นะพระพิกคุไปว่าผู้ขอไม่ไม่ใช่ขอด้วยความโลภนะหรืออย่างพวกเราบางคนพลาดพลั้งไปวารวนาะภารณาไม่ได้บอกว่าภาวนานแค่ไหนอนะไรเงี้ย บอกว่าท่านต้องการอะไรขอให้บอกเนี่ยมันมีอายุสี่เดือนน ะ, นะไม่ใช่เดี๋ยวปรนนาไว้แล้วพระก็ถ่ทุกเดือนเลยเดือนละห้าหมืนผ่านมาสิปีแล้วอะไรเงี้ยก็พอจะไม่ให้ก็บอกตกนรกนะปรนนาแล้ว น, นี่แหละรู้เลยใครตก <c oughs> อย่างคนมาปรนนาหลวงพ่อเยอะนะใครมาปรนนากับหลวงพ่อเนี่ยได้บุญ บุญฟรีด้วยเพราะไม่เคยเรียกร้องเอาเลยถ้าท่านต้องการอะไรอันนี้อ น, นี้ขอให้บอกนะสาธุอ ม, มทนาสาธุเสร็จแล้วลืมทันทีเลยจำไม่ได้หรอกใครมาปรนนารายนะงั้นได้บุญฟรีไปแต่ระวังนะอย่าปรนารุมสี่ 4, สุมห้าต้องระมัดระวังนะเวลาปรนนาก็มีลิมิตด้วยมีลิมิตด้วยเวลาบ้าง ด้วยขอบเขตปัจจัยบ้างอะไรเงี้ยต้องมีลิมิตนะควรจะทําไว้เพื่อความรัดกุมมีผู้หญิงคนหนึง่งรู้จักคุ้นเคยกันดีตอนหลังนี่เกลียดพระเลยไม่อยากเข้าวัดเลยไปพรณากับพระองค์หนึ่งไว้ท่านไปไหนขอให้บอกนะจะจัดรถมาให้เป็นรถเบนซ์นนะรถถ้ารถไม่เบนซ์ไม่ชอบนะแล้วไปเที่ยวทั้งวันเลยเดี๋ยวจะไปโน่นเดี๋ยวไป น, ไปนี่เขาไม่ได้นิมนต์ก็ไปไ ป, ไปเรื่อยๆไปเลยเลยที่ยวไปเรื่อยๆนะ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 แต่มีเหมือนกันนะอย่างผีอาฆาตอนะไรนี้ก็มนะีแต่ไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวงมงายเล่าเล่าหน่อยก็ได้ไหมอยากฟังตั้งเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักผู้หญิงคนนึงแกเป็นจ่าแต่ตอนแ ก, กเกษียณได้เป็นในร้อยเป็นจ่าอยู่กออรมนอชื่อชวนชื่นตอนแกสาวๆเป็นเด็กสาวๆนี่แกไป พอดกรถินรู้สึกจะวัดป่าเรไรไทางสุพรรณเรือนจำวัดไม่ได้นะเดี๋ยววัดเขาเสียหายจะจำวัดไม่ได้แม่นนะขณะที่เขากําลังทําพิธีอะไรอยู่แกถูกผีสิงจะถูกผีสิงผีบอกจะต้องเอาชีวิตแกให้ได้ น, ะนีพวกญาติโยมก็ไปตามพระมาเจรจานะว่าทําไมจะต้องไปฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยออาฆาตมานานละอาฆาตมานานลว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 คนข้างนอกมันคิดถึงเราเนี่ยคนที่จิตชั่วหยาบมากๆนะคิดถึงแนละ้วมันแน่นขึ้นมาอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าเราภาวนาจนใจเราไม่ก่อไม่เกี่ยวอะไรไม่แน่นนะบางทีก็รู้กระแสจิตคนอื่นอ ย, อ, อ, อย่างเช่นคนอื่นกำลังปวดหัวเนี่ยเราชํำเลืองไปดูแลวปวดจิตเลยเราก็ปวดตามเขาไปเลยใช่ครับนะเราไปเห็นคนนี้เป็นโรคัวใจหัวใจจะวายนะ อ, อ, อย่างนั้นเหรครับเออนั่นแหละนั่นแหละเวรกรรมของเรา คือ oh. เราวเว่นจริงๆบางคนนะอยากรู้วาระจิตคนอื่นให้หลวงพ่อสอนให้เสร็จแล้วก็จะมาบอกหลวงพ่อโอยหลวงอาหัวใจผมจะวายแล้วหลวงอานะวันโอ้ยใครมันน้ำมาเพ่งผมจุกไปหมดแล้วนะแค่คนคิดถึงก็จะตายแล้วแต่ว่าฝึกไปนานๆนะไม่เป็นมันไม่กระทบแต่มันไม่กระเทือน oh. การรู้วาระจิตคนอื่นไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ดูกิเลสเราดีที่สุดนะเอาตัวรอดครับผม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 บางวันพูดสหายใจไม่ทันเลยไม่ค่อยถูกอากาศชื้น